เวลาฟังธรรมควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือไม่ทำอะไรไม่พูดคุยกันแม้แต่จะกระซิบก็ไม่ควรกระซิบหรือพูดเสียงดังมันก็มีผลเท่ากันคือมันจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่ตั้งใจจะมาฟังนั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะได้ผลจากการฟังธรรมเหมือนกับในสมัยพุทธกาลฟังธรรมแล้วก็บรู้ธรรมได้เลยมีดวงตาเห็นธรรมบรรู้เป็นพระอริยบุคคลต้องฟังด้วยกายที่สงบไม่ทำอะไรวาจาที่สงบไม่พูดไม่คุยกันใจที่สงบ ไม่คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับเรื่องของธรรมที่กำลังสัมผัสอยู่ในขณะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อาจจะส่งเสียงรบกวนก็ควรที่จะปิดเช่นโทรศัพท์มือถือควรจะปิดสัญญาณรับสายเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เขาโทเข้ามาเสียงเครื่องมันจะ มาลบกวนทั้งเจ้าของเครื่องและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเสียการฟังไปเพราะจะต้องรับสายการฟังก็จะสะดุดผลก็จะไม่เกิดการฟังธรรมนี้ไม่ได้ฟังเป็นธรรมเนียมฟังไปแบบไม่ได้ หวังผลอะไรถ้าไม่ได้หวังผลอะไรก็อย่าไปฟังให้เสียเวลาดีกว่าเอาเวลาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์จะดีกว่ากับการมาทำอะไรแบบทำตามธรรมเนียมศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้ทำอะไรตามธรรมเนียมนะสอนให้ทำให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ แก่จิตใจเาฉนั้นการฟังธรรมนี้เป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาถ้าไ ม, ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจะไม่รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำ หรือถ้าทำก็ทำไม่ถูกเมื่อทำไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นขั้นที่หนึ่งของการที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนนั่นเองต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรบ้าง เมื่อได้ยินได้ฟังก็จะได้รู้ว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้พ อ, อเรารู้แล้วว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็นำเอาไปทำกันพ อ, อทตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำผลที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับผลในการปฏิบัติของศาสนาพุทธนี้ก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้ลดน้อยลงไปตามลำดับและให้หมดสิ้นไปเพราะไม่มีอะไรที่เป็นโทษต่อจิตใจยิ่งยิ่งกว่าความทุกข์ใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อจิตใจยิ่งกว่าความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจนี้จะทำให้ใจนี้ทรมานทำให้ใจนี้ไม่มีความสุขและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ นอกจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นเวลาฟังธรรมก็คือเป็นเวลาที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วเราจะได้รู้ว่าวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆนั้นกำจัดอย่างไร เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดนอกจากกำจัดความทุกข์แล้วการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ยังทำให้เกิดความสุขขึ้นมาพร้อมๆกันไปด้วยพอความทุกข์น้อยลงความสุขก็จะมีมากขึ้นความสุขกับความทุกข์นี้เหมือนกับแย่งกันแย่งกันอยู่ในใจถ้ามีทุกข์มากในใจสุขก็มีน้อยในใจถ้ามีสุขมากในใจทุกข์ก็จะมีน้อยลงไป นี่คือผลที่จะได้จากการศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ปฏิบัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนนั่นเอง ปฏิปันโนนี้จะเกิดได้ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอแล้วเมื่อสอนแล้วได้ยินแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้ทันทีเลยการศึกษาและการปฏิบัติในทางของพระศาสนานี้ เป็นการสอนเป็นการเรียนและเป็นการปฏิบัติที่ไปควบคู่กันไม่ได้แยกทางกันไม่ได้ให้เรียนไปได้เรื่อยอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยเรียนให้จบพระไตรปิฎกก่อนแล้วก็ามาปฏิบัติถ้าเรียนแบบนี้ จะจำไม่ได้เพราะพระไตรปิฎกนี้มีต้องแปดหมื่นสี่พันธรรมบทนะถ้าจะเรียนให้จบพระไตรปิฎกแล้วค่อยมาเริ่มปฏิบัติก็จะลืมไปลืมไปเสียส่วนใหญ่จะจำได้ก็ก็อาจจะไม่สามารถเอามาใช้กับการปฏิบัติได้ พ่อธรรมนี้มีหลายระดับหลายชั้นหลายขั้นด้วยกันต้องเรียนเป็นชั้นชั้นขั้นขั้นและปฏิบัติเป็นชั้นชั้นขั้นขั้นไปเหมือนกับเรียนหนังสือก็ต้องเรียน เ, เรียนทีละชั้นขึ้นไปเรียนเสร็จก็ต้องสอบเมื่อสอบเสร็จได้ผลก็แสดงว่ า, าผ่านได้าาศาสนาก็เหมือนกัน การสอบของทางศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เองการเรียนนี้เป็นการาเรียนรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็เอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ก็แสดงว่าสอบได้ผ่านได้ก็จะได้ขึ้นไปสู่ทำขั้นที่สองขั้นที่สามต่อไปตามลําดับ การศึกษากับการปฏิบัติของศาสนานี้ไปพร้อมๆกันไม่ได้แยกกันเหมือนกับที่กำลังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ที่มาบวชนี้จะเรียนก่อนเรียนแล้วก็ไม่ใช่เรียนแค่ปีสองปีหลักสูตรนี้ต้องสิบสองสิบสองปีเหมือนกับทางโลก เรียนนักธรรมตีนักธรรมโทนักธรรมเอกปีละชั้นเพอได้นักธรรมเอกอนน ก, รรเอ ก, ก็ให้ไปเรียนประเรียนประเรียนหนึ่งถึงเก้าก็มีอีกเก้าชั้นเก้าปีพอเรียนจบประเรียนเก้าแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติซึ่งส่วนใหญ่พอเรียนจบประเรียนเก้าแล้วก็มักจะไม่ได้ไปปฏิบัติกัน พอคิดว่ารู้แล้วรู้ทมแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แล้วก็จะไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนป ร, ริญญนสอนนักธรรมไปแทนถ้าเรียนแบบนี้ไม่มีการปฏิบัติผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจมากน้อยเพียงไร ตั้งแต่ก่อนมาบวชก็ยังจะมีอยู่เท่าเดิมเพราะการเรียนนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้การที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจต้องเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะทำให้กำจัดความทุกข์ได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษา เกิดจากการเล่าเรียนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้เกิดผลคือการดับทุกข์ต่างๆขึ้นมาภายในใจดังนั้นการศึกษาและการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นต้องศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติถ้าไปบวชอยู่ตามสำนัก ปฏิบัติสำนักที่มีคู่อาจารย์สั่งสอนและนำพาการปฏิบัติก็จะมีการศึกษาต่อเนื่องศึกษากันถ้าเป็นการประชุมก็อาจจะสามสี่วันส5ห้าวันอาจารย์ก็จะเรียกประชุมหนึ่งครั้งเรียกมาเทศมาสอนมาสั่ง ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ปฏิบัติข้อทุดงคขาวัดต่างๆเช่นให้บินทบาตเป็นวัดไม่ให้ขี้เกียจถ้าอยากจะกินก็ต้องขยนันอย่าขี้เกียจบินทบาตแต่ขยันกินอย่ารอให้ชาวบ้านสท ธ, ธาเอาอาหารมาให้ถึงที่วัดให้ออกไป โปรดสัตว์ให้ไปที่บ้านในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปรับอาหารกลับมาฉันที่วัดอันนี้เป็นการเสริมสร้างความเพียรไม่ให้เกียรติค้านและเสริมความมากน้อยสันโดษการบินทบาทนี้จะไปเรียกร้องของอาหารชนิดนั้นฉะนั้นนีไม่ได้ให้ยินดีตามมีตามเกิด ่อสอนเสร็จก็ให้ทำไปเลยพม่พาทำตอนเช้าก็พาเดินบินทบาตกลับมาได้อาหารมามากน้อยก็เอามาแบ่งกันที่ศาลามีมากก็แบ่งมากมีน้อยก็แบ่งน้อยให้มีทั่วถึงให้พอกินกันไปในวันวันหนึ่งนี่คือเรื่องของการศึกษากับการปฏิบัติ ในทางสายปฏิบัินี้จะทำควบคู่กันถ้าในทางสายปริยัตินี้เขาจะแยกกันเขาจะเรียนทุตองขวัตเช่นเบนทะบาทเป็นวัดหรือฉันในบาทเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดเนี่ยแต่เวลาเขาปฏิบัติเขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่เขาเรียนเบนทะบาทก็บางทีก็ไม่เบน มีกิจนิมนต์ก็เลิกเว้นบิณฑบาตไปหรือว่ามีศรัทธาญาติโยมนำอาหารมาถวายที่วัดก็งดการบิณฑบาตไปฉันก็แทนที่จะฉันในบาตรก็ไม่ได้ฉันในบาตรญาติโยมนำกับข้าวกับปลามาถวายก็ใส่สำลับมาใส่ถ้วยใส่ชามใส่จานอะไรมาถวาย หรือเวลาไปกิจนิมนต์ที่บ้านญาติโยมก็หยาดสำลับต่างๆมาถวายพระนี่คือลักษณะของการเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติเรียนทุดอาวัดแต่เวลาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติบินทบาทเป็นวัดคือเป็นกิจวัตรก็ไม่ได้เป็นกิจวัตรเป็นแล้วแต่โอกาสแล้วแต่อารมณ์ วันไหนอยากจะบิณฑบาตก็บิณฑบาตนไหนไม่อยากจะบิณฑบาตก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้ออาหารมาเทาอายแทนอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาถ้าตามศึกษาสำนักปฏิบัตินี้จะสอนให้บิณฑบาตเป็นวัดถ้าไม่อยากถ้าไม่ไม่ฉันก็ไม่ต้องบิณฑบาตแต่ถ้าฉันนี้ต้องบิณฑบาต ไม่ให้เกียดคร้านแล้วก็ให้ฉันในบาทเพื่อความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีสำลับไม่ต้องมีถ้วยมีจานมีชามีมช้อนมีอะไรต่างๆสำนักปฏิบัติแม้แต่ช้อนท่านก็ไม่ให้ใช้ท่านบอกว่าเวลาบวชนี่ไม่มีช้อนในเวลาบวชอัฐบริขารไม่มีช้อนมีแต่บาทใบเดียว ท่านก็เลยไม่ใช้ช้อนใช้มื อ, ใ ช, มอใช้มือตักอาหารในบาทหยิบอาหารในบาทร mm hmm. เพื่อความเรียบง่าย mm hmm. เพื่อความมักน้อยสันโดษ mm hmm. จะได้มีภาระดูแลทรัพสมบัติให้มันน้อยลงไป mm hmm. มีสมบัติมาก mm hmm. ก็วุ่นวายมากกังวลมากพลุงพลัง มสีสมบัติน้อยก็ไม่ลุ้ไม่พลุงพลังไม่มีเรื่องวุ่นวายมากให้อยู่กินอยู่แบบเรียบง่ายให้อยู่แบบกินแบบนกไปแบบนกนกเวลามันบินไปไหนมันขนข้าวของไปกับมันหรือเปล่ามันไม่ขนไปหรอกมันก็ไปตัวเปล่ปาๆแล้วมันก็ไปหากินข้างหน้าใหม่พระปฏิบัติก็แบบนั้น เวลาท่านไปตู้ดงในป่าไปจาเล็กในป่าท่านกาแค่อัฐบริการไปเท่านั้นมีบาตใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีที่กรองน้ํามีมีดโกนมีเข็มกลัดได้แล้วก็มีเข็มขัดรัดเอวแล้วก็มีโกรธไว้สําหรับเป็นที่หลบแดดหลบฝนแล้วก็มีมุ้งไว้สําหรับป้องกัน มแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆท่านมีสมบัติแค่นี้ท่านก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แนละ้วสะดวกรวดเร็วเรียบง่ายเป้าหมายของท่านคือไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่คอยมายั่วยวนกวนใจทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจโลภใจอยากทำให้ใจไม่สงบเนี่ย น, นี่ลักษณะของการปฏิบัติท่านปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาในเบื้องต้นนี้เวลาบวชใหม่นี้จะถูกบังคับให้ศึกษากับครูบาอาจารย์อยู่ห้าพันษาต้องอยู่ร่วมกับอาจารย์ไม่ให้อยู่ปราศจากอาจารย์ไม่ใช่บวชปั๊บออกจากบวชก็ไปขอทุดงอยู่คนเดียวถ้าไปแบบนั้นไม่รู้จะไปอยู่แบบไหน เพยังไม่เคยเป็นพระมาก่อนพอบวชคิดว่ากนผ้าเหลืองกนศีรษะหอมผ้าเหลืองก็จะเป็นพระขึ้นมามันก็เป็นแต่เครื่องแบบเท่านั้นเหมือนพวกที่จะเป็นทหารตำรวจนี่ไม่ใช่พอจะเป็นสมัครปร๊อปเขาให้เครื่องแบบมาแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยยังไปไม่ได้เป็นทหารก็ต้องไปหัดแบกปืนก่อนหัดไปเข้าแถวก่อนหัดไปอ ใช้อาวุธปืนก่อนต้องไปเรียนรู้วิธีการต่างๆของการเป็นทหารก่อนไม่ใช่พอสมัครเป็นทาหารได้เครื่องแบบทหารปั๊บก็จะไปเข้าสงครามใบก็ถูกยิงตายท่านั้นเน่ยปืนก็ใช้ไม่เป็นบางทีกำลังก็ไม่มีแบกหามสัมภาระที่ต้องแบกไปด้วยยิงต้องมีการฝึกฝนก่อนก่อนที่จะเป็นทหารได้เต็มรูปแบบเนี่ย เช่นเดียวกับการเป็นพระพอบวชพระปั๊บนี่จะขอไปทุ ด, ดงแล้วสิใบคนเดียวไปทำอะไรก็ไม่รู้เห็นเขาเห็นเห็นพระเขาแบกกดแบกอะไรไปอยู่ในป่าก็คิดว่าจะไปอยู่ในป่าแบบนั้นคนเดียวอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะใจมันไม่สงบมันอยู่ไม่ได้หรอกใจมันเดี๋ยวก็อยาก อย่างเขเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ได้ไปอยู่แบบเพื่อไปทำใจให้สงบมันก็ไปอยู่แบบวุ่นวายดีไม่ดีก็ไปวุ่นวายกับชาวบ้านไปรบกวนชาวบ้านไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยการขอให้มาช่วยทำนูน่ทนทํานี่มาสร้างนูน่นสร้างนี่ขึ้นมาซึ่งเป้าหมายของการปฏิบัติของพระนี้ไม่ได้อยู่ที่การไปสร้างวัด ไม่ได้ไปสร้างถาวและวัตถุต่างๆเป้าหมายของการบวชเป้าแรกก็คือการกำจัดกิเลสการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อหลังจากนั้นน่ะถึงจะไปเผยแผ่ธรรมพอได้แสดงธรรมกับผู้ที่ฟังเกิดศรัทธาเขาก็จะ มีความยินดีที่จะช่วยสร้างวัดสร้างอะไรให้เองไม่ต้องไปขอเขาเขาจะขอขอให้อยู่ขอให้ขอให้ช่วยสร้างวัดให้กับเขาขึ้นมาวัดต่างๆวัดของพระปฏิบัตินี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเรียกว่าธรรมะจัดสรรพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอท่านบรรลุธรรมท่านไปที่ไหน ท่านก็แสดงธรรมสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมที่นำมาหารมาถวายพอเขาได้ยินได้ฟังธรรมที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเขานำเอาไปปฏิบัติได้เห็นผลจะเกิดจากการปฏิบัติว่าทำให้เขามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงเขาก็อยากจะให้พระอยู่ใกล้ๆเขาเพื่อที่ได้คอยสั่งสอน เขาเนีลูกหลานและญาติญาติาตสนิทมิตสนิทของเขาเขาก็จะร่วมมือร่วมใจกันสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระขึ้นมาเองะพระนี้ไม่ต้องไปเรียลายไปขอเงินขอทองเพื่อมาสร้างวัดอันนี้เป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมเมื่อเขามีศรัทธาแล้วเขาจะทํากันเองะ สมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันตอนที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ไม่ไปขอสร้างกุฏิขอสร้างศาลาขอสร้างอะไรกับใครที่ไหนท่านก็หาปีกวิเวคหาที่สงบปฏิบัติสมะถะภาวนาวิปัสนาภาวนาจนในที่สุดก็ได้ตัดสรุปทางสู่การดับทุกอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่ได้ ดับความทุกข์หมดไปจากใจแล้วพระองค์ก็ไม่มีภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติอะไรต่อไปก็เลยใช้เวลาที่ว่างนี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจพอผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาขึ้นมาสร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้าหลายวัดด้วยกันมีพระเจ้าแผ่นดินมีเศรษฐี พระพุทธเจ้านี้เชื่อไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวสร้างแต่พระแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธรูปอย่างสมัยนี้สมัยนี้ชอบสร้างพระกันเหลือเกินแต่ไปสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปมันก็คือตุ๊กตาดีนีนี่เองบางทีสร้างใหญ่โตมาโหรานขนาดเป็นร้อยเมตรก็มีสูงขนาดเป็นร้อยเมตรก็มี สร้างไปทาไมมันก็เป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่สามารถสั่งสอนสั่งสอนคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันต้องสร้างพระพระที่พรธเจ้าสร้างคือพระอริยบุคคลสร้างพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์นี่ต่างหากที่พวกเราควรที่จะมาสร้างกัน ะพระอริยบุคคลอันแรกของพวกเราก็คือตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปสร้างพระอริยะบุคคลในตัวคนอื่นเพราะว่าพระอริยบุคคลนี้ต้องสร้างของใครของมันไม่มีใครมาสร้างแทนใครได้พระพุทธเจ้านี้มุ่งไปที่การสร้างพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงธรรมวันแล้วต้องหลายรอบ รอบบ่ายก็แสดงให้กับศรัทธาญาติโยมพยายาม ป, ปั้นศรัทธาญาติโยมให้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมารอบค่าก็สอนภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีปั้นพวกภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีให้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมารอบดึกก็สอนพวกเทวดาะปั้นพวกเทวดาให้เป็นพระขึ้นมาะนี่แหละ เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ส่งตัดสร้แล้วได้ส่งปั้นพระองค์เองให้เป็นพระอริยะขึ้นมาแล้วเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็จะมีความพร้อมมีความสามารถที่จะไปสั่งสอนไปปั้นคนอื่นให้เป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาได้นี่แหละคืองานที่พุทธเจ้า ว, วางทำไว้เป็นแบบฉบับ ให้พุทธบริษัทสีจเจริญรอยตามแต่พุทธบริษั์สีนี้เป็นเหมือนกับคนหูหนวกหรือตาบอดก็ไม่รู้ไม่เห็นตัวอย่างอันดีของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติได้ทรงบำเพ็ญมากลับมาทาเหมือนกับไม่ได้ยินคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างพระพุทธรูปเลย พระพุทธรูปนี้พระพุทธเจ้าก็เคยพูดว่าไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเราเป็นพระธรรมคําสอนเอใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าให้ไปเห็นธรรมเอถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลให้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปสร้างถาบวรรวัตถุไปสร้าง วัตถุมงคลชนิดต่างๆ ต, ตั้งแต่ชนิดห้อยคอไปจนถึงชนิดตั้งอยู่บนภูเขาใหญ่โตมาโหรานแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรพระเหล่านั้นวัตถุมงคลเหล่านั้นไม่สามารถสอนวิธีปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ก็ยังมีการนิยมทากันอยู่อย่างออกระหล่อกิ่อย่างมีหน้ามีตา ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยสแสดงว่าหลงทางกันลถ้าใครไปหลงกับการสร้างถาวรวัถตถุต่างๆแสดงว่าหลงทางพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างพระในใจไม่ได้ให้สร้างพระวัตถุมงคลต่างๆเพราะว่าพระวัตถุมงคลต่างๆไม่สามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ พระที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาราหันต์บุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่สามารถกำ จ, ดกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปตามระดับของ ปฏิบัติของตนพระโสดาบันก็กำจัดความทุกข์ไปหนึ่งในสี่พระสกิดาคามีก็กำจัดความทุกข์ลงไปหนึ่งในสองในสี่พระอนาคามีก็สามในสี่พระอารหันต์ก็สี่เต็มร้อยกำจัดความทุกข์หมดสิ้นไปเพราะการปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือ ต้องเรียนเป็นขั้นขั้นไปแก้ปัญหาเป็นชั้นชั้นไปพระโสดาบันก็ชั้นที่หนึ่งพระสกิดาคามีก็ชั้นที่สองพระอนาคามีก็ชั้นที่สามพระอารหันต์ก็ชั้นที่สี่ต้องเกิดจากการศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปพอบรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต้องศึกษาวิธีที่จะไปเป็นพระสกิดาคามีต่อ แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระสกิดาคามีก็ไปเรียนวิธีที่จะเป็นพระอนาคามีต่อพอเรียนจบพระอนาคาบาลบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไปเรียนวิธีที่จะทำให้เป็นพระอาหารหันต์ต่อไปเรียนไปแล้วก็ปฏิบัติไปไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เรียนมันทั้ง พระคำภีเรียนรู้หมดวิธีจะเป็นโสดาบันเป็นยังไงเป็นสั ก, กิดาคามีเป็นยังไงแต่ไม่ได้เป็นสักคนหนึ่งมีแต่รู้มีแต่เรียนแต่ไม่ไปปฏิบัตินี่คือความหลงทางของชาวพุทธเราแทนที่จะไปสร้างพระอริยบุคคลเดี๋ยวนี้สร้างพระเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไปที่ไหนจังหวัดไหนที่ไหนวัดไหนนี้ มีพระเยอะแยะไปหมดวัดหนึ่งไม่ใช่มีองค์เดียววัดหนึ่งนี่มีเป็นสิบสิบองค์เพราะหลงทางกันเพราะคิดว่านี่แหละคือการสร้างสร้างพระที่พระเจ้าทรงสอนให้สร้างสร้างพระแล้วได้บุญมากก็เลยสร้างกันใหญ่สร้างแล้วไม่รู้ว่าบุญอยู่ที่ไหน เพราะว่าไม่ศึกษาไม่ร่ำเรียนไม่ดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นชาวพุทธเราต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทำดําเนินชีวิตของท่านอย่างไรจึงทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจึงทำให้ท่านมีความสามารถที่จะสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้เราก็ต้องศึกษาดูชีวิตของท่าน ท่านก็เป็นเหมือนเราตอนที่เกิดมายังเป็นปูุ้ชนเป็นคารว่าทู้คลองเรือนยังมีความโลภความโกรธความหลงยังมีความอยากในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่แต่วันหนึ่งท่านก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนัก บ, บวชท่านก็เห็นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปก็เลยทำให้ท่าน เบื่อหน่ายกับการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนัดต่างๆเพราะรู้ว่าความสุขเหล่านี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เพียงแต่เห็นคนแก่ใจท่านก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นคนเจ็บคนตายใจของท่านก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วยังไม่ได้เจอของจริงเพียงแต่เห็นเพียงแต่คิดว่าให้ต่อไปเราต้องแก่แบบนี้ ต่อไปเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้ต่อไปเราจะต้องตายเพียงแต่คิดเท่านี้ทรัพสมบัติเข้าเขินเงินทองต่างๆที่มีอยู่นี้ที่เคยให้ความสุขกับพระองค์นี้ไม่มีความหมายเลยไม่สามารถที่จะมาบำบัดกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการเห็นความแก่ความเจ็บความตายเลย องเลยจึต้องไปบวชเพราะได้เห็นนักบวชว่าเป็นผู้ที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วท่านก็ไปศึกษาไปปฏิบัติอยู่กับพวกนักบวชก็ค้นก็ได้วิธีดับความทุกข์ชั่วคราวคือวิธีเข้าไปในสมาธิ เวลาเข้าไปในสมาธิใจก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็หายไปใจสงบเน่งไม่คิดถึงอะไรความทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดจากใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เองคิดถึงความแ ก, ก่ก็ทุกข์แล้วคิดถึงความเจ็บก็ทุกข์คิดถึงความตายก็ทุกข์คิดถึงการพัาดพาดจากกันก็ทุกข์คิดถึงอะไรแล้วก็มีแต่เรื่องเศร้า ไม่อยากจะคิดแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหยุดความคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยไปหัดฝึกนั่งสมาธิกันถ้าไปฝึกขัดนั่งสมาธิแล้วเวลาทุกขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สามารถที่จะหยุดมันได้ชั่วคราวด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่พอออกมามันก็จะคิดอีก ไม่มีใครรู้ว่าจะทําไงให้มันไม่คิดเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งค้นพบว่าความคิดที่ทําให้ทุกข์เนี่ยมันต้องคิดไปด้วยความอยากเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอคิดว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วพระองค์ก็เลยท่งค้นหาว่ามีวิธีใดที่จะทําให้ ไม่คมิดไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องดูความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่ามีใครมาห้ามไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าเมื่อห้ามไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้แล้วไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไปทำไมก็เหนื่อยไปเปล่าเปล่าไม่ได้ผลอยู่ดี แต่ถ้าไปคิดว่ามันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปแล้วมันก็ไม่ใช่เราเสียวได้ซ้ำไปต้องเห็นตัวนี้ด้วยเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันไม่แกะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเห็นว่ามันไม่ได้เป็นเราความจริงมันไม่เคยเป็นเราเลยเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเอง เรามันไปได้มันตอนที่มันอยู่ในท้องแม่เรานั่นแหละตอนที่มันเริ่มก่อร่างสร้างตัวในท้องแม่เราเราเป็นไข่เราก็เป็นดวงวิญญาณที่เล่ร่อนอยู่นั่นเองที่ไม่มีร่างกายที่กําลังหาร่างกายอยู่พอมีร่างกายก็เข้าไปเสียบทันทีเข้าไปเกาะทันที เหมือนสมัยนี้เวลาขับรถหาที่จอดรถเห็นไะหขับหาไปเรื่อยๆพอตรงไหนมีช่องว่างก็เสียบเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราไม่มีร่างกายกันนี้ก็เพราะตอนที่เราไม่มีร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณเนี่ยเราก็เล่ยล่อนรอหาหาร่างกายพอมาเจอปุ๊บอยู่ในท้องแม่พอดีปุ๊บนี่ก็ไม่มีใครเข้ามาจองก็เข้าไปจองก่อนเลย ก็ไปเกาะติดเลยแล้วเราก็อยู่กันมามาจนเป็นฝาแฝดโดยไม่รู้ตัวเรากับร่างกายนี้เป็นฝาแฝดกันแต่ปัญหาคือเราไม่เคยเห็นตัวเราเพราะเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราไม่อ้วนไม่ผอมไม่ขาวไม่ดำไม่สูงไม่เตี้ยเราไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีหน้าตา เราก็เลยไปหลงคิดว่าน้องเราหรือคู่แฝดเราคือร่างกายเป็นเราไปเท่า น, นั้นเองเพราะว่าคู่แฝดดานี้ทำอะไรเองไม่ได้ต้องรอให้เราสั่งมันมันถึงจะทำเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายพอไปคิดว่าเป็นร่างกายเราก็ไม่อยากตายเลยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บเมีใครอยากแก่อยากเจ็บอยากตายบ้างไม่มีหรอก แต่นขึ้นความจริงเราก็ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่เราไม่รู้ธรรมชาติของเราไม่รู้คุณสมบัติของเราว่าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเราไม่เกิดเราไม่แก่เราไม่เจ็บเราไม่ตายผู้ที่เกิดผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนี้ไม่ใช่เราเป็น เป็นแฝดของเราเป็นคู่แฝดของเราเรามาได้ตอนที่พ่อแม่สร้างมันขึ้นมาสร้างร่างกายมันขึ้นมาอยู่ในท้องแม่แล้วเราก็อยู่กับมันตั้งแต่นั้นมาจนถึงออกมาจากท้องแม่ก็อยู่กับมันต่อไปจนคิดว่ามันกับเรานี้เป็นคนเดียวกันเพราะว่าเราจะทำอะไรเราก็ใช้ร่างกายนี้ทำร่างกายมันไม่ทำอะไรมันทำอะไรเองไม่ได้ มันรอให้เราสั่งให้มันทำเราก็เลยคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันแต่พอเรามารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ตกใจสิเราไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายมาเลยแล้วต้องมาแก่เจ็บตายกับร่างกายเออก็โดยทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ทรงคนศึกษาวิธีว่าทำยังไงให้เห็นว่า ใจจะไม่ต้องทุกข์กับร่างกายก็ศึกษาดูความจริงว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือเปล่เาเป็นเราหรือไม่ใช่เป็นเราเราผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรผู้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรกําลังเห็นอะไรนี่เป็นร่างกายหรือเปล่าก็คิดไปคิดมาก็าเห็นว่ามันไม่คนละคนกัน เพราะตอนที่นั่งสมาธิใจกับร่างกายก็แยกออกจากกันเพะนั้นนั่งสมาธิใจสงบใจก็อยู่ตามนำพังใจก็ไม่ไปรับรู้เรื่องราวของร่างกายตอนเข้าไปในสมาธินี้ร่างกายหายไปจากการรับรู้ก็เลยทำให้เห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นเป็นดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำ ลมไฟพ่อแม่เป็นคนสร้างให้ตั้นขึ้นมาให้แล้วเราก็เลี้ยงดูมันเวลาที่มันออกจากท้องแม่มาเลี้ยงมันด้วยการหาอาหารเวลาหิวใหม่ๆก็หาเองไม่ได้ก็บรบกวนพ่อแม่ให้หาให้หิวนมก็ร้องหิวน้ำก็ร้องปวดท้องก็ร้องพ่อแม่ก็ต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายให้กับเราไปก่อน พอเราโตขึ้นมาพอเราเลี้ยงดูร่างกายเองได้เราก็เลยเลิกพึ่งพ่อแม่เราก็มาเลี้ยงดูร่างกายต่อไปแต่ไปคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิว่าเราผู้เลี้ยงร่างกายกับร่างกายนี้เป็นคนละคนเหมือนเราเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยสุนัข ก, กับเจ้าของสุนัขเป็นคนเดียวกันเปล่าแต่ทาไม เราถึงเห็นว่ามันไม่เป็นคนเดียวกันเพราะเจ้าของสุนัขมันมีรูปร่างให้เราเห็นเนยออนี่เจ้าของสุนัขรูปร่างอย่างนี้มีสุนัครูปร่างอย่างนี้เออถึงแม้จะอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นคนเลี้ยงสุนัข ก, ก็ตามแต่ไม่ได้เป็นสุนัขเวลาสุนัขตายไปนี้คนเลี้ยงสุนัขไม่ได้ตายไปด้วยเออันนี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนึกคิดพิจารณา จากการศึกษาและจากการปฏิบัติด้วยขั้นต้นก็ต้องศึกต้องแยกใจออกจากร่างกายด้วยการทำสมาธิเวลาใจสงบใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันตอนนั้นใจจะอยู่ตามลาพังเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตามลาพังผู้รับคำสั่งคือร่างกายตอนนั้นไม่รู้หายไปไหนไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน พอรู้อย่างนี้แล้วจะได้มีฐานของการพิจารณารมว่าความจริงมันเป็นอะไรกันแนะ่ใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันจากการปฏิบัติสมาธิก็จะเห็นว่าใจกับร่างกายนี้แยกกันไม่ได้เป็นอันเดียวกันพอรู้แล้วว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละอันเวลาออกจากสมาธิมาพอเวลากลับมารวมกันก็ต้อง คอยเตือนใจสอนใจต่อไปไม่ใช่ว่าจะจำได้นะเหมือนนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดว่าจะจำได้ไหมนะ่ะพอตื่นขึ้นมานี้จำไม่ได้แล้วหายไปหมดแล้วถ้าไม่เอามาคิดต่อเนอะ อย่างนั้นพอนั่งสมาธิแล้วรู้แล้วว่าใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละอันกันมันแยกออกจากกันเวลามันกลับมารวมกันเวลาออกจากสมาธิก็ต้องมาเจริญปัญญาแล้วเนี่ยต้องมาคอยเตือนใจสอนใจว่าเราเป็นคนเลี้ยงสุนัขเนะื้ร่างกายนี้เป็นเหมือนสุนัขเราก็เลี้ยงมันไปเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเนี่ยให้มันกินข้าวดูแลมันไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปรักษาพยาบาล ตามกำลังของเราทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปถ้าเรารู้ว่าเราไม่เป็นมันแล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเราก็ทำหน้าที่ของเจ้าของไปร่างกายก็เป็นเหมือนสุนัขของเราเราก็เลี้ยงมันไปตามอัตภาพมันอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ถ้าเราทำอย่างนี้ความทุกข์ใจจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการที่ร่างกายเป็นอะไรนี้จะไม่เกิดขึ้นที่ใจจะ อ, อยู่แค่ที่ร่างกายความแก่ก็อยู่ที่ร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะอยู่ที่ร่างกายความตายก็จะอยู่ที่ร่างกายมันจะไม่มาเกี่ยวข้องกับใจแต่อย่างใด เหมือนกับสุนัขเวลามันเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ไปทำให้คนเลี้ยงสุนัขเป็นไปด้วยสุนัขปวดท้องคนเลี้ยงก็ปวดท้องไปด้วยรือเปล่ามันไม่ปวดนะแต่ทำไมเวลาร่างกายปวดใจก็ปวดไปด้วยร่างกายเจ็บนิดหนึ่งใจกับเจ็บกว่าขึ้นมาอีกหลายเท่าเสียด้ซ้าไปบางทีเวลาร่างกายเจ็บนี้เจ็บนิดเดียวเนอะแต่ใจส่นี่ร้องไห้โ h เลยวุ่นวายกันไปหมด นี่แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเจ็บใครไม่เจ็บเนี่ยพอไปหลงคิดว่าเอใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจนี่วุ่นวายไปก่อนเลยทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งที่บางทีร่างกายมั น, ม, น, ม, นมันไม่ได้วุ่นวายเนีเจ e บ็บมันก็เจ็บไปเพราะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเจบ็บอะร่างกายมันไม่มีการรับรู้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้ ความเป็นไปของมันว่ามันแก่หรือไม่แก่มันเจ็บหรือไม่เจ็บมันตายหรือไม่ตายมันไม่รู้ไม่เหมือนกับรถยนต์นี่มันไม่รู้หรอกว่ามันเสียหรือไม่เสียมันวิ่งได้หรือวิ่งไม่ได้คนที่รู้ก็คือคนขับคนที่ปวดหัวก็คือคนขับแต่รถยนต์มันไม่ได้ปวดหัวไปกับเวลาที่มันเป็นอะไรมันยางแตกมันก็ไม่ปวดหัว แต่คนขับนี่ปวดหัวสิไปไหนไม่ได้นะต้องเปลี่ยนยางต้องไปหาช่างมาเปลี่ยนให้มิฉะนั้นก็ต้องช่างเขามาลากรถไปเข้าอู่ซ่อมอคนขับก็ปวดหัวเพราะไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ า, จาได้ส่งค้นพบได้ทรงศึกษาท่งค้นพบว่าร่างกายกับตัวพระ อ, องค์คือใจของพระ อ, องค์นี้เป็นคนต่อคนกัน แต่มาอยู่ร่วมกันเหมือนฝาแฝดเป็นแฝดพี่แฝดนอ้องใจเป็นนายกายเป็นบา่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆเพราะใจต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนกับเราสมัยนี้ต้องใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือพาเราไปหาความสุขอยากจะไปดูหนังอยากจะไปช้อปปิง้งอยากจะไปทาอะไรถ้ามีรถยนต์มันก็สะดวกรวดเร็ว ขับรถปืัก็ถึงปั๊บเลยลงไปตีตั๋วดูหนังได้เลยอยากจะซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ไปซื้อได้ทันทีรถยนต์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของพวกเรากันไม่มีใครไม่อยากได้รถยนต์ถามใครไหนก็ได้ถ้าให้รถยนต์จะเอาไหมจะมีใครปฏิเสธไม่เอาไหมบ่าโอ้ไม่เอาเราไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันไม่มี เงินที่จะมาจ่ายค่าประกันไม่มีเงินที่จะไม่มีที่จอดรถถึงแม้ไม่มียังไงมันก็เอาทั้งนั้นเนะเชื่อั้มเอาไว้ก่อนแล้วไอ้เรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังไม่มีเงินเติมน้มันเดี๋ยวก็ไปหาเงินมาเติมอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราต้องมีร่างกายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราหาความสุขไม่ได้เรามีความสุขได้เพราะเรามีร่างกายเราอยากจะดูอะไรเราก็ต้องใช้ร่างกายพาเราไปดู อยากจะฟังอะไรก็ต้องใช้ร่างกายอยากจะกินอะไรจะดื่มอะไรอยากจะอยู่กับใครก็ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราถึงจะเกิดความสุขขึ้นมาได้เราเลยแลกเลยหวงร่างกายมากแต่เราลืมไปว่ามันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายพอเราเห็นวันแก่วันเจ็บวันตายคืบคลานเข้ามาเราก็ตกใจกลัวกันใหญ่นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ฉลาด เราไปพึ่งสิ่งที่เราพึ่งไม่ได้พึ่งนั่งกายที่เป็นสิ่งที่พึ่งได้ชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันเป็นไปมันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายไปอันนี้เป็นปัญหาของผู้ที่ไม่เคยพบกับนักบวช ในศาสนาพุทธในศาสนาพุทธนี้นักบวชจะรู้ว่าร่างกายนี้พึ่งไม่ได้ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวให้ไปพึ่งใจดีกว่าใจนี้เป็นของถาวรกว่าให้ไปหาความสุขในใจดีกว่าดีกว่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะร่างกายจะต้องมีวันหนึ่งที่จะไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้ วันนั้นเราก็จะลำบากเดือดร้อนทรมานแต่ถ้าเรามาหาความสุขในใจเรานี่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่เจ็บตายหรือไม่ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราสามารถมีความสุขได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําก่อนก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาเพื่อมา แยกใจออกจากร่างกายปล่อยวางร่างกายเราต้องมีความสุขในตัวเราก่อนเราต้องมีความสุขทดแทนก่อนตอนนี้เรายังไม่มีความสุขทดแทนเราก็ยังต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะเลิกใช้ร่างกายอยากจะเลิกพึ่งร่างกายเราต้องมาหาความสุขในใจให้เจอก่อน มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่เองความสงบนี่แหละคือที่ตั้งของความสุขของใจถ้าเราสามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะมีความสุขในใจได้ตลอดเวลาพอเรา มีความสุขในใจแล้วทีนี้เราก็มาดูปัญหาของร่างกายว่าทำไมมันเราถึงต้องทุกข์กับมันทุกข์ก็เพราะว่าเราไปหลงไปคิดว่ามันเป็นเราอันหนึง่งอีกอันก็เพราะว่าเราไปอาศัยมันเป็นเครื่องมือหาความสุขปัญหา เรื่องพึ่งมนะันเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็แก้ได้แล้วเมื่อเราเข้าสมาธิได้เมื่อเราทำใจให้สงบได้เราก็รู้ว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่งร่างกายก็ได้เราอยากจะมีความสุขเมื่อไหร่เราก็ไปนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธพอใจสงบเราก็มีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาแฟนไปกินไปดื่มไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบ ใจของเราก็มีความสุขลวเมื่อเรามีความสุขได้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปพึ่งมันเมื่อไม่ต้องไปพึ่งมันมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแต่เราอาจจะคิดว่าเรายังเป็นร่างกายอยู่ถ้าเรายังคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่เราก็ต้องมาแยกมันเวลาเข้าสมาธิเรากลับ เรากับร่างกายก็แยกไปคนละทางพออกจากสมาธิมาพอรวมกันเราก็ต้องมาคอยเตือนใจสอนใจว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนเป็นฝาแฝดเป็นคู่แฝดมารวมกันตอนที่ตั้งอยู่ในท้องแม่ตอนที่มีร่างกายเกิดขึ้นมาในท้องแม่เราที่ไม่มีร่างกายเราก็มาเกาะเป็นแฝดกันมาแล้วก็เป็นแฝดกันมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ต้องรู้ว่าเรากับร่างกายจะต้องมีการแยกทางกันในวันใดวันหนึ่งในวันข้างหน้านี้และไม่มีใครสามารถที่จะไปทำนายได้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะวันตายของแต่ละคนนี้ไม่แน่นอนคนตายได้ทุกวันทุกเวลาทุกอายุเด็กบางคนเกิดมาวันหนึ่งก็ตายแล้ว บางคนก็อาทิตย์หนึ่งบางคนก็เดือนหนึ่งบางคนก็ปีหนึ่งบางคนก็สิบปียี่สิบปีไม่มีคนตายทุกอายอุถ้าไปดูสิติเตฉะนั้นเราต้องมาคอยเตือนใจสอนใจเวลาออกจากร่างกะเวลาออกจากสมาธิมาพอมันจะไปคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันว่ า, าไม่ใช่นะเรากับร่างกายเป็นคนละคนเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้เรา ซึ่งวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปคอยเตือนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันถ้าเราไม่ต้องพึ่งมันไม่ต้องอาศัยมันและรู้ว่ามันจะเราจะต้องจากกันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไป <c oughs> เวลามันแก่ก็เฉยๆไม่ซึ้งเดือดร้อนอะไรเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อน รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วรักษาได้วันนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอีกในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่เป็นเดี๋ยวมันก็เกิดไปเจออุบัติเหตุตายได้มันมีเหตุที่ต้องให้มันตายแล้วมันจะต้องตายอย่างแน่นอนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เรื่อยว่าความเที่ยงแท้แน่นอนก็คือความตายนี่ไม่มีใครไม่ตาย เมื่อเกิดมาแล้วแต่ให้รู้ว่าไม่มีใครตายจากการตายของร่างกายเพราะไม่มีใจของแต่เราดูทุกคนนี้ไม่มีวันตายเพราแม่เราที่ตายไปเขาก็ไม่ได้ตายเพียงแต่ร่างกายของเขาตายไปคู่แฝดเขาตายไปแต่ตัวเขาไม่ตายตัวเขาก็ยังอยู่ ก็ไปเป็นดวงวิญญาณแทนแทนที่จะเป็นดวงจิตดวงใจก็ไปเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไปเล่ร่อนไปร อ, ปรอหารับร่างกายอันใหม่ต่อไปพอได้ร่างกายอันใหม่เขาก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำอย่างที่เราทำกันอยู่แบบนี้ <c oughs> สำหรับพวกเราเราอาจจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปแล้วเมื่อเรารู้ว่าเราไม่เราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับผ่านทางร่างกายคือความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้ได้จากความสงบนัตถิสันติบาังสุ ข, ขัง สุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีพอเราได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องการความสุขแบบอื่นได้เพชเรแล้วจะไปเอาพลอยทำไมได้ทองแล้วจะไปเอาเงินทำไมอันไหนมีค่ากว่ากันเราก็ได้อของที่มันมีค่ากว่าของที่มีค่ามีความสุขกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการ มาถึงนึงาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ต้องไปทุกข์กับการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของร่างกายปากกัดดินทีบ ไม่ต้องไปทุกกับภัยอันตราย ต, าต่างๆที่จะมากระทบกับร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และนำเอาไปปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็ลงเรียนไปใหถึงขั้นพะระอรหันต์นู่นแล้วค่อยมาเริ่มปฏิบัติ พอมาเริ่มปฏิบัติมันก็ลืมแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรแล้วนะเรียนไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ทำไปเราอยู่ขั้นไหนเราก็ทำขั้นนั้นไปเรายังอยู่ขั้นทาทานเราก็ทําไปตราบใดที่เรายังเอาเงินไปใช้ผ่านทางร่างกายอยู่เราก็ต้องเลิกเอาเอาเงินมาใช้ผ่านทางใจมาซื้อความสุขทางใจแทนที่จะไปซื้อความสุขทางร่างกาย ถ้าเราเลือกซื้อความสุขทั้งร่างกายได้แล้วเราก็เลือกทำทานได้เราก็ไปรักษาศีลเราก็ไปฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำไปตามลำดับแล้วเดี๋ยวผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปี <c oughs> จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนถ้ามารอเรียนให้จบพระตาปดกก่อน แล้วค่อยไปปฏิบัติอีกเจ็ดร้อยปีก็ไม่มีวันที่จะไปไปสําเร็จได้เพราะเรียนไปมันก็จะลืมไม่หมดนะเรียนตอนตอน้นเรียนไปที่ไว้ต้องสิบสองปีแล้วค่อยมาเริ่มปฏิบัติมันจะไปจําอะไรได้เรียนอะไรวันนี้ก็ต้องเอาไปปฏิบัติในวันนี้เลยมันจะได้สดสดน้อนๆนะ้อนผลถึงจะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วนะนี่คือเรื่องของ การศึกษาเพื่อให้เรียนให้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติเราก็ปฏิบัติควบคู่กันไปขั้นนี้ขั้นที่หนึ่งให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติไปพอผ่านขั้นที่หนึ่งก็ศึกษาขั้นที่สองต่อไปแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆไล่ขั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้วเราก็จะไม่ผิดหวัง เราจะได้มีความมั่นใจมีความเชื่อว่าศาสนาพุทธนี้เป็นของแท้ของจริงของที่จะนำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้เชื่อผู้ศรัทธาได้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตตาังอุปปักปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดปะเมวะสัมิจโตสัพเพปเรนตตสังกปา ยันโทปะนะรโสยะามณิโชติอรโสยะาสัพพติโยวววาดฉันโสัพปะโรวนัสตมาเตภวตดวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตารโรท วทาอายุวโนสุขังภลวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา321 YouTube 290วิทยุออนไลน์42รับฟังข้างบนนี้62คนรวมทั้งหมด715ครับอ่า okay. อันนี้มีอาจารย์ก็มาให้เกียรติถามปัญหาขอเชิญพูดเบาๆก็ได้เพราะเสียงเรามันแปดหลอดอยู่แนละ้วสอนถ้เสียงหมดอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ครับตอนที่ฟังธรรมมากๆแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในประวงของธรรมตอนที่เราเรียบเรียงธรรมนั้นตอนอาจารย์เทศ ก็ปนกันไปหมดทั้งเศนสมาธิปัญญาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกายใจเตะกันไปเทกันมาคราวนี้ผมอยากถามเบื้องต้นในการนั่งสมาธินั่งเฉยเฉยกำหนดลมหายใจบริกรรมยกมือขึ้นเอามือลงปิดมือเปิดมือกับเดินจงกรมกับ บริกรรมประเภทภาวนาเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องสตัร์อันแรกแต่จริงๆแล้วอะไรจะเป็นอันต่อไปครับอาจารย์จากจากสตั๊์จา ก, จา ก, start, จากอันแรกเลยคือสมัตก่อนเราจะไปไหนต่อครับอาจารย์ถ้าได้สมัะได้ฌานแล้วก็ไปวิปัสสนาถ้าแยกใจจากใจได้ในสมาธิแล้ว ก็รู้แล้วว่าใจกับร่างกายเป็นคนละอันกันพอเวลาออกจากสมาธิมันก็กลับมารวมกันตอนนั้นก็ต้องคอยเตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่เรามันเป็นคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมาที่เราเลี้ยงมันเราก็เลี้ยงมันเหมือนที่เราเลี้ยงหมานั่นแะเราไม่ไปวุ่นวายใจไปกับมันเวลาเกิดอะไรขึ้นกับมันเพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา มันก็ยังหลุดหลดอยู่เอ้าเวลาหลับตาก็เลิมตาแล้วเราจะใช้อะไรที่แม่นกว่ากันคะครับอาจารย์อ้าวถ้าแยากสมาธิได้จริงๆมันแม่นอยู่แล้วนะถ้าเรายังไม่ได้สมาธิเราจะไม่เห็นนะเห็นพูดไปจนวันตายก็ไม่เข้าใจต้องไปทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อนถึงจะมาวิปัสสนามาแยกร่างกายกับใจเวลาที่มันมารวมกันได้อย่างนั้นก็ต้องเริ่มเหมือนเดิม ที่อาจารย์บอกว่าต่อให้เรียนหนังสือให้ตายอพอมาเจอตัวปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมันมก็ควบคุมถึงการเห็นทำขั้นต่อไปใช่เวลาเรียนมันไม่ได้เห็นของจริงไงมันเพียงแต่อ่หมือนสิบปากว่าไม่ได้หนึ่งตาเห็นไม่เท่าหนึ่งตาเห็นจะเห็นหนึ่งตาเห็นรู้ว่าทุกอย่างเป็นอ น, นัตตาก็ต้องเข้าไปในสมาธิ น, นะนะพอจิตเข้าไปในสมาธิจิตรู้ว่าโอกูนี่ตัวลําพังคนเดียว ของต่างๆที่กูได้นี้ไม่ใช่เป็นของกูเลยเอ่อเข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์แต่ถ้ามให้มาพูดตอนนี้ยังไงก็ยังเป็นของกูอยู่นั่นแหละใช่ไหอครับพ่อที่บอกว่ามันเป็นพี่น้องกันมันเป็นฝาแฝดกันบางทีเราก็เพลินออกไปเว็บๆอย่างหูไปฟังตาไปดูอากายผิวโภตะปะไปโดนแต่เราก็ดึงกลับมาได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าให้ดูไปที่กิเลส แต่มันไม่ได้ทั้งบันนทียรอาจารย์บางทีมันก็เวดออกไปได้ก็ต้องพักบางเดือนต้องเข้าไปสมาธิบางแสดงว่าแรงหมดความจำเสื่อมต้องกลับเข้าไปทบทวนความจำใหม่ในสมาธิว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันใจไม่มีอะไรเป็นสมบัตินะทุกอย่างไม่ใช่ของใจสัพเพธรรมานาตานะออตอนมาบัวอยู่ที่วัดบ้านตัด บอกว่าเดินจงกรมสามสี่ชั่วโมงเรามาคิดว่ากายกับใจเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันแบบที่อาจารย์บอกถ้าสมมติว่ากายมันชนะมันต้องเดินไม่ได้หมาบัวเดินนั่งทําอะไรตีงสามสี่ 3, ชั่วโมงสบายสเรียกครูกกบาอาจารย์เรียกท่านหน่อยนะเรียกชื่อท่านมาบัวพระอาจารย์พระอาจารย์มาบัวอย่าไปตีเสมอเรียกชื่อท่านนะี่มันไม่เหมาะสมมันไม่ไม่มีความเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นขอทานข้างถนนไปเรียกมหาบุอยงั้นต้องใส่ให้เต็มเลยใช่ไหมครับอาจายควรอย่างน้พร ะ, พระอาจารย์มหาบหุอยหลองตาตามที่ท่านเรียกชื่อของท่านเออครับออแล้วเวลาที่เราทำนายพยากรครั้งหนึ่งพุทธองค์ไปที่กุสินาราแล้วก็จะกลับมาเพื่อที่จะนิพพานที่นี่แล้วรอให้ พระอนุลโลหสุพัทธากลับมาบวชแสดงว่าตอนนั้นพุทธองค์รู้ว่าท่านจะต้องบวชใครเป็นคนสุดท้ายแสดงว่าธรรมที่ท่านได้ที่เป็นโล ก, กุตระเนี่ยมันเป็นธรรมที่เห็นอนาคตได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่จาเป็นต้องเห็นก็ได้โล ก, กุตระธรรมนี้ให้ให้มีเขาเรียกว่า อาสวาัคคาออยะยางคืยานที่กําจัดกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็เป็นพระอริยบุคคลได้พระอริยบุคคลมีสี่ชนิดไงพระนันมีสี่แบบพระที่ไม่มีอภิญญาก็มีพระที่มีอภิญญาก็มีพระที่ระลึกชาติได้ก็มีพระที่ระลึกชาติไม่ได้ก็มี แต่ท่านเหมือนกันตรงที่ท่านมีอาสวัคคายานคือกิเลสมีญาณที่กำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่บางองค์ก็รู้อนาคตบางองค์ก็รู้อดีตบางองค์ก็อ่านจิตใจของคนนั่นคนนี้ได้ไม่อย่างนี้ไม่ได้บรรลุเท่ากัน <c oughs> ที่เท่ากันก็คือกิเลสหมดสิ้นจากใจตามที่ อ๋อได้เทศถึงพระอนุน์วันนี้เพิ่งเข้าใจถึงเรื่องตอนที่พูดถึงเรื่องการปั้นพระว่าควรจ ะ, ระประเลลศพระอาหารหันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจในพระธรรมของพระองค์ว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเหล่าก็คือ ให้พานนท์เห็นธรรมะแทนที่ตอนที่ท่านนิพพานจะมาเศร้าโศ ก, กเสียใจและร้องไห้ทำไมก็ยังเห็นธรรมอยู่ครับหมดคำถามครัาบอาจารย์ <laughs> สาธุสาธุมีใครอยากถามก็ถามได้นะอ่ะาก็มาเอาไมโครโฟนไปส่งไปก็ได้ไม่ต้องมาก็ได้มีคนส่งให้พูดใกล้กล้ปากดังๆมังบรจารย์โกนะนะ กาบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูเกิดความสงสัยว่าเมตตากลายเป็นกิเลสได้อย่างไรเมตตากลายเป็นทุกข์ได้อย่างไรเมตตาทําให้หลงออกจากสิ่งสมมุติได้อย่างไรในเมื่อเคยได้ยินมาว่าเมตตาเป็นพื้นฐานของศีลเจ้าค่ะเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไหวังผลตอบแทนจากการที่เราให้เมตตาเขานั่นเองเมตตาเขาเราอยากจะให้เขาดีกับเราเองพอเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์เมตตาที่แท้จริงไม่หวังผลตอบแทนจากใคร เให้ทําอะไรให้เขาก็ทําเพื่อให้เขาสุขให้สบายเขาจะขอบใจเราหรือก็จะด่าเราก็เรื่องของเขาอเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นเมตตาจริงถ้าเมตตาปลอทมทําไปแล้วเขาต้องขอบใจเราเขาต้องดีกับเราอต้องชมเราีีาสแสดงว่ายังเป็นกิเลสอยู่เราก็เลยทุก์เวลาเขาไม่ชมเราเวลาเขาไม่ดีกับเราใช่ไหม แล้วก็บ่นว่าทำบุญไม่ขึ้นเลยทำบุญแล้วไม่มีใคร เ, เห็นบุญของเราเลยนะทำอะไรเราอย่าไปหวังผลตอบแทนจากคนอื่นแล้วใจเราจะมีความสบายมีความสุขมีเมตตาที่แท้จริงพระอาจารย์เจ้าคะคือหนูเคยเดินจงกรมแล้วรับรู้มาว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติแม้กระทั่ง ต้นไม้ทุกอย่างเลยเจ้าค่ะทีนี้มีคนชวนหนูไปทานข้าวกินเอาของอร่อยมาล่อสเต็กอะไรเงี้ยหนูก็เห็นว่ามันเป็นแค่สัตว์สองตัวที่มีอะไรกันแล้วก็ข้อรั่วมามคือไม่ได้เห็นว่าอยากจะกินทีนี้เกิดเห็นหน้าตาเขาหงอยเหงาอะไรเงี้ยก็าก็เมตตาพอเมตตาไปแล้วก็รู้สตัวเองเป็นทุกข์น ะ, ะเจ้าค่ะเมตตา ย, ยัางไงถึงเป็นทุกข์อ่ะเหมือนก็หลงสมมติไปด้วยนะเจ้าค่ะ จากตอนแรกรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติแต่พอตอนหลังคือมันก็อาย่อนเนะี่ให้เขาหน่อยทําให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยคือพอทําไปทํามาตัวเองกลายไปอยู่กับพวกเขาหมดเลยเหมือนกับว่าห่างวัดไม่ได้ห่างครูบาอาจารย์ไม่ได้เลยอยงั้นเจ้าค่ะไม่เข้าใจความหมายปัญหาไปอยู่ตรงไหนกันแนะ่หนูเคยคิดว่าทุกอย่างคือเป็นสิ่งสมมติแม้กระทั่งต้นไม้ใบไม้แม้กทั่งตัวเอง เมื่อก่อนไม่เคยรู้มาว่าตัวเองเ อ, อนอนห่มผ้าเดียวกันกับกองกระดูกอันนี้ก็อันนี้ก็ก็หลงอีกแล้วไม่จริงเราไม่ได้ห่มเราไม่ได้เป็นร่างกายนี่งั้นอันนั้ <c oughs> น, นก็ยังยังหลงอยู่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงร่างกายเป็นโครงกระดูกเป็นซากศพแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นโครงกระดูกเราไม่ได้เป็นซากศพนะ หลังจากนั้นหนูก็เลยมารู้ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาที่หนูเคยทำไว้พูดไว้หรืออะไรไว้คือเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยว่ามันดีว่ามันไม่ดีแม้กระทั่งคำพูดของใครต่อใครทีนี้หนูก็เลยมารู้ว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติแต่พอหนูเห็นใครมาพูดอะไรกับหนูเงี่ยแล้วก็มาขอความช่วยเหลืออย่างนี้หนูก็เกิดความในบางครั้งก็เกิดความเมตตาเขาพราะเมตตามากๆเข้ามันกลายเป็นเหมือนกับเป็นกิเลสอะเจ้าค่ะ ก็อย่าไปให้มันมากสิให้มันพอดีนี่ทางสายกลางมัธิมทำด้วยเหตุด้วยผลถึงจะเรียกว่าไม่ไม่เกินถ้าทำด้วยอารมณ์มันก็จะเกินเหตุเกินผลได้ควรจะทำให้มันเหมาะสมกับผู้ที่รับความเมตตาจากเราถ้าให้เกินก็อาจจะเป็นโทษกับเขาได้เช่นเด็กนี่ไปให้เงินเยอะๆใช้นี่ เดี๋ยวก็เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นะต้องให้พอประมาณให้เขามีเงินไปจ่ายข่าวหรือเรียนมีเงินไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เรียกว่าเมตตาแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่เมตตารักลูกเลี้ยงว่ามันไม่อยากให้มันลําบากให้มันมีเงินใช้เวลาหลายพันมันอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรก็กินได้ซื้อได้ทุกเวลาอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเสียนิสัย แล้วมันก็จะเสียคนต่อไปได้กับขอบพระคุณความเมตตาเจ้าค่ะเออถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นสมมุติแต่เราอยู่กับสมมุติเราก็ต้องทำตามกฎของสมมุติไป แถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องไปํากฎของสมมุติไปอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องไปเมตตากับใครไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปถือว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันเป็นสมมุติหมดแต่เวลาเราไปอยู่กับเขานี่เราก็ต้องถือตามเขาเดี๋ยวเขาก็จะเตะเราออกถ้าเราไปถือว่าพวกคุณเป็นสมมุติไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องเรางั้นมึงมาอยู่กับกูทาไมล่ะใช่ไหม สมมุติมันก็มีไว้สำหรับคนที่เขาอยู่ในสมมุติเขาต้องมีสมมุติเขาถึงได้รู้ว่าใครเป็นใครแต่พวกที่รู้ว่าเป็นสมมุติเขาก็รู้แต่เขาต้องรู้จักวิธีว่าเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับสมมุติเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าเป็นสมมุติเลยไม่ไม่ปฏิบัติตามสมมุติเลยอยู่กับพ่อกับแม่ก็อย่างเมื่อกี้เรียกอาจารย์ว่ามึงกูเรียกชื่อเลยอย่างงี้ก็เป็นสมมติทั้งนั้นแหละ แต่ทำไมเราต้องมีสมมุติสําหรับผู้สูงสาหรับผู้ต่ำํำเพราะในโลกนี้เขาถือสูงถือต่ํากันเราก็ต้องเขาลบกฎของสมมุติแต่เราไม่ไปพูดตามกฎสมมุติเราก็จะถูกเขาเขีย่ยออกจากสังคมไปถ้าเราไปอยู่คนเดียวก็อยู่กับลิงกับข้างนี้ก็สบายจะถือใครเป็นเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ได้ถือว่าเป็นโครงกระดูกทุกคนเป็นซากศพทุกคนก็ถือได้ แต่พอไปอยู่กับเขานี่เขาไม่ได้ถืออย่างเราเนี่ยเขาไม่ได้รู้อย่างเราเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของเขากฎระเบียบของสังคมเนี่ย<ม>ต่อไปคําถามจากผู้ฝากถามครับเวลาที่นั่งสมาธิพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาไ ป, ไปเรื่อยๆ จนเห็นกายแยกกับจิตแล้วจิตมันเห็นอยู่อย่างนั้นจิตรู้แล้วว่ากายไม่เกี่ยวกับจิตแล้วต้องทำอย่างไรต่อไปครับ อ, อทำไม่ถูกแล้วอันนี้เป็นแยกแบบสัญญาไม่ได้แยกแบบเห็นจริงนั่งคิดไปแล้วก็ว่าไปเหมือนตอนนี้เรานั่งคิดในใจเราถ้ามีเงินขึ้นมาอีกห้าล้านจะได้ดอกเท่าไหร่มันก็คิดได้แ ต, <laughs> แต่มันไม่เป็นความจริงเข้าใจไนะ ความจริงต้องไปเอาเงินเข้าธนาคารสักห้าล้านแล้วทีนี้ไปดูดอกเลยมนันขึ้นขึ้นมาทันทีเลยนั่งสมาธิแล้วไปพิจารณานี่ผิดละนั่งสมาธิเขาไม่ให้พิจารณานั่งสมาธิเขาให้ทําจิตให้สงบให้หยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อจิตจะได้แยกออกจากร่างกายได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็ผิดละไปนั่งคิดนั่งคิดแล้วก็ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่เป็นอย่างนั้นเองพอไปเจออะไรเข้างูจะกัดหน่อยก็โจนโดดหนีนะล้วพอถูกใครก็ด่าหน่อยก็ว่ากูแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าร่างกายใช่ไหมถ้าถ้าแยากเป็นเวลาใครดา่าก็มันด่าร่างกายมันด่าคนใช้เราไม่ได้ด่าเรามันด่าหมาเร า, ม า, ม า, เราไม่ได้ด่าเราเท่าไหร่เราเป็นเจ้าของหมามันจะด่าหมาเขาปล่อยมันด่าไปสิร่างกายมันไม่ได้เป็นเราอะ่ะ อันนี้มันจะแยกได้ตอนต้นต้องแยกด้วยสมาธิก่อนการแยกด้วยสมาธิก็ต้องหยุดคิดบุ่งแต่งหยุดพิจารณาไม่คิดไม่พิจารณาพิจารณาตอนที่ออกจากสมาธิแล้วตอนเข้าสมาธินี้พิจารณาไม่ได้แต่พิจารณามันจะไม่เข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้มันก็จะไม่เห็นของจริงเห็นร่างกายกระใจเป็นคนอ่านกัน ต้องหยุดคิดหยุดพิจารณาให้จิตสงบแล้วใจกับกายจะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกันแล้วที่รู้แล้วว่าใจนี้เป็นผู้รู้ส่วนความรู้สึกนึกคิดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ได้เป็นใจเหมือนเป็นอาการของใจอาการเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาออกมาที่นี้ต้องพิจารณาคอยเตือนใจสอนใจแล้วว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราเนอะมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้เราจะทุกข์นะนี่อันนี้ต้องพิจารณาหลังจากที่แยกกายแยกใจด้วยสมาธิได้ก่อนแล้วแต่ยังแยกไม่ได้พอถึงเวลาเจออะไรขึ้นมานี่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรอกเราเคยคิดอย่างไรเคยถืออย่างไรมันจะกลับไปถือเหมือนเดิม เคถือว่าน่างกายเป็นตัวเราของเรามันก็จะถือเหมือนเดิมพอไปเห็นสิวขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งก็ตกใจแล้วเนี่ยเวลาเห็นหนังเหี่ยวเห็นตีนกาขึ้นมานี่ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเห็นผมหอกสักเส้นเดียวก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วมันวัยมากนะกิเลสเนะี่ยอย่าไปคิดว่ามันโง่นะมันไวกับเราหลายร้อยเท่าด้วยกันเรานั่งพิจารณาไม่ใช่ตัวเราของเรานั่งไปเถิดพิจารณาไปเถิด พอมันไปเจออะไรขึ้นมากิเลตนั้นไวกว่าไปก่อนแล้วมันจะให้มันทันกิเลสไว้ก่อกิเลสต้องแยกด้วยสมาธิก่อนเมื่อแยกด้วยสมาธิแล้วรู้แล้วเห็นชัดเจนแล้วทีนี้เพียงแต่มาคอยเตือนใจเท่านั้นเองพอมันจะยึดปักก็เฮ้ยไม่ใช่เรานะพอเห็นสิวมันจะตกใจก็ไม่ใช่เรานะอพอผมหงอกก็ไม่ใช่เรานะนี่มันต้องอย่างนั้นถึงจะได้ผลได้ประโยชน์ เขาส่งคําถามเข้ามาต่อครับบอกว่ า, วาแล้วทําไมในขณะนั้นจึงไม่เกิดความหนาวขึ้นแก่ร่างกายเพราะตอนนั้นหนาวมากครับไม่รู้ล่ะเรื่องของคุณคนนั่งยังไงผมไม่รู้หรอกไม่เกี่ยววนะ่านั่งสมาธิมันไม่เกี่ยวกับร่างกายคําถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คุณสิริกรถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรทุกวันเพราะอยู่ต่างประเทศครับเอ แต่สวดมนต์ทุกวันบูชาพระรัตนตรัยกราบพระอารัตนสินห้าถือไตรสรณาคมสวดอิติปิโสชินบัญชรและแผ่เมตตาเองกรวดน้ำอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับก็ได้ก็เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีหลายรูปแบบหลายขั้นด้วยกันถ้าไม่ได้ใส่บาตรถ้าถ้าไม่มีถ้ า, าไม่มีคนใส่บาตรพระก็เสกกันหมด ถ้ามีพระก็ต้องใส่บาตรเลี้ยงพระพระอยู่ได้เพราะความเมตตาของศรัทธาญาติโยมที่จะสนับสนุนถ้าไม่มีใครใส่บาตรพระจะหาอะไรกินเมื่อพระพระหากินไม่ได้จากการเป็นพระก็ต้องฝึกไปเป็นโยมไปทรมาหากินต่อไปคำถามต่อไปจากจากคุณสุปราณี ลูกสวดมนต์และอุทิศบุญให้กับผู้ที่ตายไปแล้วไม่ทราบว่าเขาจะได้รับบุญกุศลนี้ไหมครับไม่ได้หรอกอุทิศบุญต้องทําบุญทําทานใส่บาทถวายสังฆทานอันนั้นบุญเกิดขึ้นทันทีบุญที่เกิดสวดมนต์นี้ยังไม่เกิดเพราะยังเป็นการขั้นบัน้นขั้นขั้นการสร้างอยู่สร้างบุญอยู่บุญจะเกิดตามเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิอึ่างนี้เกิดบุญขึ้นมา แต่บุญแบบนี้เขาก็ไม่เอามาอุทิศกันมันเป็นคุณระแบบกันบุญที่อุทิศพระพุทธเจ้าบอกว่าให้อุทิศด้วยการทําทานด้วยการเสียสละแบ่งปันเข้าวของเงินทองของเราให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเมื่อเราช่วยเหลือคนแล้วจะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเราก็สามารถส่งความสุขใจอิ่มใจให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีได้ คำถามต่อไปจากคุณซอคำว่าไม่ทุกไปกับเขาสามารถใช้กับครอบครัวได้ไหมคะอย่างเช่นใช้กับแฟนใช้กับพ่อแม่เราบอกพวกเขาว่าอยากกินของเค็มอยากกินของหวานเดี๋ยวเป็นโรคถ้าเป็นโรคขึ้นมาก็เดือดร้อนเงินทองที่เราเก็บเราควรวางใจอย่างไรขอคำแนะนำด้วยครับก็อยู่ที่ว่าเราห่วงเขาแล้ห่วงเงินทองไง ส่วนใหญ่จะมักจะห่วงเงินทองมากกว่าห่วงเขาใช่ไหมเขาตายไม่เป็นไรหรอกขอให้มีเงินทองทิ้งไว้ก็แล้วกันยังเราไม่ได้รักเขาจริงไม่ได้ห่วงเขาจริงเราห่วงเงินทองเขามากกว่าหรืห่วงว่าถ้าเขาตายแล้วก็ไม่มีใครหาเงินให้เราใช้เราก็เลยห่วงเขาแต่ถ้าเขาตายเขาทิ้งเงินไว้ให้กองอย่างเราก็ไม่ห่วงนะคุณจะตายเมื่อไหร่ก็ เ, เชิญคำถามต่อไปจากคุณจัญญา ปุถุชนทั้งหลายที่ไม่มีตาทิพย์จะสังเกตรู้ได้อย่างไรว่าท่านนั้นเป็นพระอริยบุคคลก็เหมือนคนจบปริญญาไม่กับคนไม่จบปริญญาจะไปรู้ได้ไงาคนที่เขาจบปริญญาหรือไม่จบปริญญาเป็นอย่างไรคนจบปริญญาก็รู้ได้ว่าคนนี้จบมาหรือไม่แต่ต้องคุยกันต้องถามกันถามความรู้ของเขา พระหลานกับพระหลานนี่เขาก็ต้องคุยกันว่าทอทํายังไงบิเลตายได้อย่างไรอแยากกายยากใจออกจากกันได้อย่างไรถ้าคนที่เขาเป็นจริงเขารู้จริงเขาก็พูดกันได้คุยกันได้เหมือนช่างผมคุยกับช่างผมเขาคุยได้ใช่หไหมจะทําผมแบบไหนดีผมสั้นผมยาวเจะย้อมสีเขียวสีแดงสีไหนเหมาะกับสีไหน ถ้าเป็นพวกช่างด้วยกันเขาคุยกันปั๊บเขาก็รู้และอ๋อนี่เป็นช่างจริงเขาเป่าถ้ามันเป็นช่างจริงพูดไปก็เละเทะนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันการจะรู้จะพระริยาบุคคลได้นี้จะต้องต้องคุยกันถ้าไม่มีตาทิพย์ถ้ามีตาทิพย์ก็มองเข้าไปในจิตเขาเลยเอ้าจิตนี้ว่างไปหมดไว้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่สักตัวหนึ่งอันนี้ก็ก็ดูได้ี่ยพระพุทธเจ้าบางทีดูจิตของคน่ ดูจิตว่าตอนนี้จิตนี้เป็นยังไงคนตายคนนี้จิตเป็นอะไรไปแล้วเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตเนี่ยดูได้มันมีสัญลักษณ์บอกเทวดามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเปรตมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกันคนที่มีตาทิพย์เห็นดวงวิญญาณนี้เขารู้ว่าเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาแล้วมาโกหกมาบลลหลอกดวงไม่ได้ว่าผมเป็นเทวดาถ้าถ้าเป็นตัวเองเป็นเปรตเนี่ยหลอกคนตาทิพย์ไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ได้อ่านหนังสือที่พระอาจารย์ได้เทศไว้ที่ว่าพอปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆตามลําดับพอได้กลับไปฟังเทศกันเดิมก็เหมือนได้ฟังเทศกันใหม่เหมือนไม่เคยได้ฟังมาก่อนครับเป็นเพราะอะไรถึงทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับส่วนหนึ่งเวลาที่เราฟังเราไม่สามารถรับรับไปได้หมดเพราะความคิดของเรา เวลาที่เราคิดถึงเรื่องที่กําลังฟังอยู่ขณะที่ท่านกําลังพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเราก็จะไม่ได้รับเข้าไปในใจเราเพอเรากลับมาฟังใหมเออ่เรื่องนี้เราไม่ได้รับเข้ามาในใจตอนนี้เราได้ยินเราก็รับเข้าไปได้ใหม่เพราะเวลาฟังนี้มันไม่ใช่ฟังเรื่องเดียวฟังหลายเรื่องแล้วบางทีเราติดตามตามไม่ทัน เรายัางติดอยู่กับเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้นี้อยู่แต่ท่านพูดไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วอีกขั้นหนึ่งแล้วเขั้นนั้นเราก็ไม่รู้แล้วก็เลยพอมาตามอีกทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วก็เลยเวลามาฟังใหม่อีกทียิงว่าทาไมเหมือนกับไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการหยุดความคิดคือการวางอุเบกขาใช่หรือไมค่ครับการสร้างอุเบกขา อุเบกขาไม่ได้วางเราไม่มีจะไปวางมันได้ตรงไหนต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาด้วยการทาใจให้สงบเป็นฌานฌานขั้นที่สี่ถึงจะได้อุเบกขาคำถามต่อไปจากคุณนัทนานเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นว่าความเจ็บปวดที่กายมีแต่มันไม่ถึงจิตอันนี้ถือว่ากายกับจิตแยกกันแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะแต่หลังจากนั้นไม่เกิดแบบนี้อีกเลยเออนั่นล่ะก็ ก็ทําันทำไมอีกเสร็มันทําได้ครั้งหนึ่งมันก็ต้องทํำได้เรื่อยๆอืแต่ครั้งแรกอาจจะฟลุกมมันไม่รู้มันไปทํายังไงเหมือนถึงได้พอครั้งต่อไปไปทําอีกทําไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามทําไปใช้หลักหลักของการกระทําคือสติพุทโธไปอยเรื่อยเดี๋ยวมันก็แยกกันไปต่อไปไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวปุ๊บแล้วมันจะได้ทุกครั้งไปมันต้องทําจนกว่ามันจะชานาญ เมื่อชำนาญแล้วทีนี้มันก็จะได้ทุกครั้งไปเหมือนกับนักกีฬาที่ก็ซ้อมเนะี่ยทําไมก็ต้องซ้อมหลายครั้งว่าวิ่งครั้งนี้มันได้ความเร็วแค่นี้วิ่งครั้งต่อไปมันอาจจะช้ากว่าก็ได้อาจจะเร็วกว่าก็ได้แต่ถ้ามันวิ่งบ่อยๆซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้ความเร็วเท่ากันทุกครั้งไป <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณคมกฤิในการปฏิบัติสมาธินั้น ควรปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิและเดินจงกรมไปด้วยไหมครับเพราะเหตุใดถ้าหากจะนั่งสมาธิอย่างเดียวจะได้หรือไม่ครับถ้านั่งแค่วันละห้านาทีสิบนาทีก็นั่งได้แต่ถ้าจะปฏิบัติแบบทั้งวันทั้งคืนนี้มันนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นั่งกายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนทิริยาบทก็ต้องลุกขึ้นมาเดินสลับกับการนั่งไป พวกที่เขาต้องเดินต้องนั่งสลับกันเพราะเขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นแล้วพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งเขามีแต่หน้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาว่างจากภารกิจที่ต้องทําเช่นบิณทบาทชันเจ็ดท่านก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินก็มีประโยชน์แบบหนึ่งการนั่งก็มีประโยชน์แบบหนึ่งเพราะว่าจะเดินตอนที่กินอิ่มแล้วไปเดินไปนั่งมันก็จะหลับ ก็ไม่ด้ไม่นั่งกันต้องไปเดินก่อนเดินเพื่อทำให้อาหารมันย่อยทำให้ท้องที่มันหนักท้องหนังที่มันตึงให้มันหย่อนลงหนังตาจะได้ไม่ไม่หย่อนจะได้ไม่วงนนอนถ้าเวลาฉันเสร็จกลับไปที่พักไปนั่งสมาธิก็คอพับเท่านั้นแหละถ้าคอพับก็ต้องลุกมาเดินมาตุกสติเพราะว่าเวลาร่างกายอิ่มสติมันจะหย่อนยานมันอยากจะนอน ก็เดินไปจนกระทั่งมันรู้สึกหายง่วงแล้วค่อยไปนั่งพอนั่งไปสักพักมันเมื่อยมันเจ็บทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ลุกมาเดินใหม่สลับทํากันไปอย่างนี้จนกว่าจิตจะเข้าสู่สมาธิได้คําถามต่อไปจากคุณยงเราควรพิจารณาขันห้าในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างไรได้บ้างครับ ก็เอาแค่ร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาอย่างนี้ไปอย่าไปวุ่นวายไปกับมันดูแลมันได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยมันไปคำถามต่อไปจากคุณตริชาตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักอยู่ ICU มา40กว่าวันแล้วค่ะบางช่วงก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มีอาการแทรกซ้อนทําให้หมดสติไปหนูปรึกษาหมอบางท่าน เขาก็รักษาแบบตามอาการบางท่านก็บอกว่ารักษายังไงก็จะวนอยู่แบบนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นพวกหนูก็ยื้มมาสักพักจนได้ทำการเจาะคอเนื่องจากคุณแม่หายใจเองไม่ได้หากต่อจากนี้พวกหนูตัดสินใจที่จะไม่รักษาต่อจะเป็นบาปไหมคะหรือควรจะรักษาไปเรื่อยๆขอความเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะไม่บาปหรอกถ้าต้องการหยุดการรักษา แต่อาจจะขาดความเมตตาความเมตตก็คื อ, อยังอยากจะรักษาเขาช่วยเขาอยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเองแล้ว่าเมตตาแล้วมันเกิดคุณหรือเกิดโทษกับผู้ที่รับความเมตตาถ้าเมตตาแล้วทำให้เขาต้องทรมานไปนานกว่าจะหมดลมกับการที่ไม่เมตตาแล้วเขาจะได้หมดลมไปอย่างรวดเร็วผลก็คือเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าช้าหรือเร็ว ก็ต้องตายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ยุติการการเมตตาจะดีกว่าเพราะก็เมตตาแบบนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรผลก็ได้เหมือนกันแต่กับจะต้องทรมานไปอีกนานยาวนานกว่าจะตายอย่างกรณีของหลวงปู่ชาไม่ทราบว่าท่านเคยได้ยินประวัติหรือเปล่าในบ้านปลายชีวิตของท่านท่านก็ก็นอนอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็อาศัยเครื่องหายใจเครื่องอะไรต่าง ไปเขาก็ไม่มีใครกล้าหยุดเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์เขาเลยแต่พวกมีก็มีพวกหนึ่งเ็าสงสารท่านต้องทรมานนอนอย่ยางนั้นเลยไม่มีใครกล้าตัดสินใจก็เลยนิมนต์หลวงตามาบัวนี่แหละไปตัดสินใจหลวงตาบอกว่าเออถอดมันไปเถิดอันนี้เป็นการหล่อเลี้ยงไข้ให้กับไข้มันจะได้อยู่ไปนานๆถ้า ถ้าไขมันไม่มีลมไม่มีอาหารไปหลอดเลี้ยงมันก็จะดับไปในที่สุดท่านก็เลยตายได้ไม่งั้นก็ยังต้องนอนอยู่กับเครื่องหายใจเครื่องอะไรต่างๆเพื่อที่จะพยุงนั่งกายต่อไปคำถามต่อไปจากผู้ฝักถามนั่งสมาธิเพื่อให้สงบเดินจงกรมเพื่อให้เกิดสติส่วนการพิจารณาให้เกิดปัญญา ทำตอนเหตุการณ์ที่เจอในแต่ละวันเช่นวันนี้ป่วยก็รู้ว่าร่างกายนั้นไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงี่ฉันเข้าใจและปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ดูผลเลยถ้าใจไม่ทุกข์ก็ถูกต้องถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ไม่ถูกต้องปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เคยทำบุญอุทิศให้คุณพ่อแล้วฝันว่าท่านกำลังรับประทานอาหารที่เราทาบุญไปให้สิ่งนี้เป็นจิตปรุงแต่งหรือท่านได้รับจริงๆในภพของท่านเจ้าค่ะก็ไม่ถามท่านดูนี่ถ้าถามท่านได้ก็เป็นของจริงถ้าไม่ได้ถามก็อาจจะเป็นความคิดของเราคิดไปก็ได้เห็นของนี้มันเป็นได้สองอย่าง เป็นความคิดปรุงแต่งของเราเองหรือเป็นเรื่องของจริงท่านมาเล่าให้เราฟังว่าแม้ตั้งแต่ได้รับบุญนี่มาอิ่มเลอะเกินมีความสุขเลอะเกินถ้าอย่างนี้ก็เป็นของจริงแต่ถ้าเราคิดไปเองมันก็ยังเป็นเรื่องของความคิดของเราอยู่อันนี้แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีทั้งสองอย่างไม่รู้ว่าท่านได้รับหรือไม่ก็ตามแต่เราในใจเรารู้สึกว่าท่านมีความสุขจากการทําบุญของเราแล้วก็พอใจละ แล้วก็ควรจะทําไปเรื่อยๆให้ท่านมีความสุขไปเรื่อยๆหรือถ้าเราหยุดทําปั๊บเดี๋ยวฝันไม่ดีเข้ามาแล้วฝันโอ้หิวก็น่ารู้กันไหแต่ยังก็ต้องทำไปเรื่อยๆเนีหมดได้ยังอหมดแล้วก็มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เอาแค่นี้แล้วนะขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติ